และซักถามหาความเข้าใจเต่าเล่าและอธิบายด้วยสับบกปลาซักถามด้วยสับน้าเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธปลาจะให้เต่าอธิบายด้วยศั์น้าเต่าก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบในที่สุดปลาก็ลงข้อสรุปว่าเต่าโกโหกเรื่องที่เล่าไม่จริงทั้งสิ้นเดินก็ไม่มีเผืนดินแห้งก็ไม่มี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 ตักกะยังไม่ถึงไม่อยู่ในวิสัยของตั ก, กะและเอียดอ่อนเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงทราบและมีข้อความเป็นกาถาต่อไปว่าทำเราลุกถึงโดยยากเวลานี้ไม่ควรประกาศทำนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำจะรู้เข้าใจได้ง่ายสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะยอมไว้